พระมหาสัตว์ได้ฟังพระราชดำรัสดังนั้นจึงคิดว่าพระราชาองค์นี้เป็นผู้ละโมบในการมารลมถือเอาคำของอาจารย์สี่คนเหล่านี้ด้วยความเป็นอันธพาลย่อมไม่ทรงทราบโทษที่จะเสด็จไปเราจะชี้โทษในการเสด็จไปแล้วจกให้กลับพระหารุไทยเสียคิดฉะนั้นแล้วจึงกล่าวสี่คาถาว่าข้าแต่พระราชาขอพระองค์ทรงทราบ พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงมีอานุภาพมากมีผลมากก็พระราชานั้นปรารถนาเพื่อปรงพระชนมชีพของพระองค์ดุดนายพรานข้ามาลึกด้วยมรึขีตัวล่อเหยื่อฉะนั้นปลาอยากกินของสดคือเหยื่อย่อมกลืนเบ็ดที่คดซึ่งปกปิดไว้ด้วยเนื้ออันเป็นเหยื่อมันย่อมไม่รู้จักความตายของมันฉันใดข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงปราถนาการย่อมไม่ทรงทราบ พ, พระราชธิดาของพระเจ้าจุลณีเหมือนปลาไม่รู้จักความตายของตนฉะนั้นถ้าพระองค์เสด็จไปยังปัญจาลนาครจกต้องสละพระองค์ทันทีภัยใหญ่จักถึงพระองค์ดุดภัยมาถึงมรึกตัวตามไปถึงทางประตูบ้านฉะนั้นบรรดาคําเหล่านั้น พระมหาสัตทุนเรียกพระเจ้าวิเทหราชด้วยคำว่าราชาคำว่ามีอนุภาพมากมหานุภาโวได้แก่มียศใหญ่คำว่ามีผลมากมหบพโลได้แก่ประกอบด้วยผลนับได้สิบแปดอักโขภินีคำว่าเพื่อปรงพระชนม์ชีพมรณะถังได้แก่ เพื่อประโยชน์แก่ความตายคำว่าตัวล่อเหยื่อโอกะจเรนะได้แก่แม่เนื้อตัวล่อเหยื่อก็นายพรานฝึกแม่เนื้อตัวหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกนำไปป่าพักไว้ในที่พวกเนื้อหากินแม่เนื้อนั้นต้องการนำเนื้อโง่ามาสำนักตนจึงร้องเสียงดังยั่วราคะด้วยสัญญาณของตน เนื้อโง่แวดล้อมด้วยฝูงเนื้อนอนที่พุ่มไม้ในป่าไม่ให้สัญญาในแม่เนื้อที่เหลือได้ฟังเสียงของแม่เนื้อนั้นมีใจผูกพันเพราะเกี่ยวข้องด้วยฟังเสียงของแม่เนื้อนั้นลุกออกไปชูคอเข้าไปหาแม่เนื้อตัวนั้นยืนให้ความสะดวกอย่างมากแก่นายพรานนายพรานใช้หอกคมกริบแทงเนื้อนั้นให้สิ้นชีวิตในที่นั่นเอง ในเรื่องนี้พระเจ้าจุลนีเหมือนนายพรานพระราชธิดาของพระองค์เหมือนแม่เนื้อล่อเยื่อพรามเกวัตตะเหมือนอาวุธในมือของนายพรานอธิบายว่านายพรานต้องการฆ่าเนื้อด้วยเนื้อล่อเหยื่อฉันใดพระเจ้าจุลนีต้องการฆ่าพระเจ้าวิเทหราชด้วยพระราชธิดาฉันนั้นคำว่ายากินของสดคือเหยื่ออมะมคิตโธ ความว่าปลาแม้อยู่ในน้ำลึกร้อยวาต้องการเหยื่อคือของสดที่เขาปิดที่คดของเบ็ดไว้นั้นกลืนเบ็ดเข้าไปย่อมไม่รู้ความตายของตนคําว่าพระธิดาทีตระน์ความว่ า, พ ร, า, รว า, วาพระองค์ทรงปรารถนาการย่อมไม่ทรงทราบพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีนั้นเป็นเช่นกับเหยื่อที่พรานเบ็ด คือพระเจ้าจุลณีทรงวางปิดเบ็ดคือคำพูดของพรามเกวัตตะไว้เหมือนปลาไม่รู้เหยื่อคือความตายของมันคําว่าปัญจาลนครปัญจาลังได้แก่อุตรปัญจาลนครคําว่าพระองค์อัตตังได้แก่ตนคําว่าตัวตามไปถึงทางปัญฐานุปันนัง ความว่าพายใหญ่จักมาถึงเนื้อตัวเดินไปตามทางที่ประตูบ้านเมื่อพวกมนุษย์ถืออาวุธออกจากบ้านเพื่อต้องการเนื้อพวกที่เห็นนั้นนั้นย่อมฆ่าเนื้อนั้นเสียฉันใดมรณะพัยใหญ่จักมาถึงคือจักเข้าถึงพระองค์แม้เมื่อเสด็จอุตรปันจลนครชั้นนั้น พระมหาสัตทุลข่มพระราชาด้วยแปดคาถาด้วยประการชนิพระเจ้าวิเทหราชถูกพระมหาสัตข่มอย่างเหลือเกินทีเดียวก็ทรงพิโรธว่ามโหสถนี้มินเราดุดธาตุของตนไม่สำคัญว่าเราเป็นพระราชารู้ราชสารที่พระอัครราชทรงมาสำนักเราว่าจักประธานพระราชธิดาดังนี้แล้ว ไม่กล่าวคำประกอบด้วยมงคลแม้คำหนึ่งมากล่าวกับเราว่าเป็นเหมือนเนื้อโง่เป็นเหมือนปลากลืนเบ็ดและเป็นเหมือนเนื้อเดินตามทางถึงประตูบ้านจักถึงความตายครั้นกลิ้วแล้วได้ตรัสคาถาเป็นลำดับว่าพวกเรานี่แหละเป็นคนเขาบ้าน้ำลายที่กล่าวถึงเหตุแห่งการได้รัตนอันสูงสุดในสานักเจ้า เจ้าเติบโตด้วยหางไถจักรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นคนเขาพารามหาเสได้แก่เป็นคนโง่คำว่าบ้าน้้ำลายเอละมูคาได้แก่พวกเรานี่แหละมีปากเต็มไปด้วยน้ำลายคำว่าเหตุแห่งการได้รัตนะอันสูงสุด อุตตะมัทธนิได้แก่เหตุให้ได้นางแก้วอันอุดมคําว่ากล่าวในสํานักเจ้าตยีและปิมมหาความว่าพวกเราได้กล่าวในสํานักของท่านคําว่าได้อย่างไรกิเมวะความว่าเมื่อจะติเตียนเขาจึงกล่าวอย่างนี้คําว่าเติบโตด้วยหางไถนังคละโกติวัตโต ความว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงหมายเนื้อความว่าบุตรคฤหบดีจับหางไถเจริญเติบโตขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กเท่านั้นจึงตรัสด้วยพระราชประสงค์นี้เองว่าเจ้าย่อมรู้งานของบุตรคฤหบดีเท่านั้นย่อมไม่รู้งานที่เป็นมงคลของกษัตริย์ทั้งหลายคําว่าคนอื่นอันเยความว่าคนอื่นๆคืออาจารย์เกวัตตะ หรืออาจารย์เสน ก, กะเป็นต้นรู้จักความเจริญคือมงคลของกษัตริย์เหล่านั้นชันใดเจ้ารู้จักความเจริญเหล่านั้นฉันนั้นหรือการรู้จักกิจการของบุตรคฤหบดีนั่นแหละสมควรแก่เจ้าพระเจ้าวิเทหราชดาบริพาทมโหสดแล้วตรัสว่าบุตรคฤหบดีทำอันตรายแห่งมงคลแก่เราท่านทั้งหลายจงนาเขาออกไปเสีย แล้วตรัสคาถาเพื่อให้นํามโหสถออกไปว่าท่านทั้งหลายจงสคอมโหสถนี้ออกไปเสียจากเว้นเคว้นของเราเพราะเขาพูดเป็นอันตรายแก่การได้รัตนะของเรามโหสถรู้ว่าพระราชากลียวจึงคิดว่าหากว่าใครอื่นทําตามพระราชดำรัสจับมือหรือคอเรานั่นไม่ควรแก่เราเราจะละอายตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเราจักออกไปเสียเองคิดชะนีแล้วจึงถวายบังคมพระราชาลุกจากที่นั่งกลับไปสู่เคหสถานแห่งตนปายพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งดังนั้นด้วยอำนาจพระพิโรธเท่านั้นหาได้ตรัสสั่งใครๆให้ทำดังนั้นไม่เพราะพระองค์มีพระมนตสเคารพในพระโพธิสัตว์ลำดับนั้นพระมหาสัตว์คิดว่า พระราชาองค์นี้โง่เขลาเกินเปรียบย่อมไม่ทรงทราบ ป, ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์แต่พระองค์เป็นผู้ปราถนาในกามทรงทราบแต่ว่าจักได้พระราชธิดาของพระเจ้าจุลณีหาทรงทราบภายในอนาคตไม่เมื่อเสด็จไปกรุงปัญจาละก็จักถึงความพินาฏใหญ่หาควรที่เราจะทำพระราชดำรัสไว้ในใจไม่ เพราะพระองค์ทรงมีพระอุปการะแก่เรามากพระราชทานยศใหญ่แก่เราควรที่เราจะเป็นปัจจัยแห่งพระองค์แล้วดำริต่อไปว่าเราจะส่งสุวะโปดกไปก่อนรู้ความจริงแล้วไปเองภายหลังดำริชนี้แล้วจึงเรียกสุวะโปดกมาแล้วส่งไปณนะกรุงปัญจาละนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าแต่นั้นมโหสถบัณฑิตได้หลีกไปจากราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชที่นั้นได้เรียกนกสุวบัณฑิตชื่อมาทุระผู้เป็นทูตมาสั่งว่าแน่สหายตัวมีปีกเขียวเจ้าจงมาทำการขวนขวายเพื่อเรานางนกสาลิกาที่เขาเลี้ยงไว้ ใกล้ที่บัรทมของพระเจ้าปัญจาราตมีอยู่ก็นางนกนั้นเป็นนกฉลาดในสิ่งทั้งปวงเจ้าจงถามนางนกนั้นโดยละเอียดนางนกนั้นรู้ความลับทุกอย่างของพระเจ้าปัญจาราตและของพรามเกวัตตะผู้โกศิยโคตทั้งสองนั้นนกสุวะบัณดิตชื่อมาทุระตัวมีปีกเขียวรับคำมโหสถว่าเออ แล้วได้ไปสู่สำนักนางนกสาลิกาแต่นั้นนกสุวบันดิตชื่อมาทุระครั้นไปถึงแล้วได้เรียกนางนกสาลิกาตัวมีกรงงามพูดเพราะมาถามว่าเธอพออดทนอยู่ในกรงงามดอกหรือเธอมีความผาสุกในเพศดอกหรือเข้าตอ ก, กับน้ำผึ้งเธอได้ในกรงงามของเธอดอกหรือแน่สหายสุวบันดิต ความสุขมีแก่ฉันและความสบายก็มีอันหนึ่งข้าตอกับน้าพึ่งฉันก็ได้เพียงพอแนสหายท่านมาแต่ไหนหรือว่าใครใช้ท่านมาก่อนแต่นี้ฉันไม่เคยเห็นท่านหรือไม่ได้ยินเลยบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าตัวมีปีกเขียวภริตะปักขูได้แก่มีปีกเสมอด้วยใบไม้เขียว คำว่าการขวนขวายเวยาวัจจังความว่ามโหสดกล่าวกับ น, นกสุวะบันดิตซึ่งมาจากที่ตักในเมื่อตนกล่าวว่ามานีสหายเจ้าจงทําการขวนขวายของเราอย่างหนึ่งซึ่งผู้อื่นที่เป็นมนุษย์ไม่อาจทําได้เมื่อนกสุวะบันดิตถามว่าข้าพเจ้าจะทําอะไรนายมโหสดก็กล่าว ว, ว่าสหาย คนอื่นเว้นพระเจ้าจุลณีและพรามเกวัตตย่อมไม่รู้เหตุที่พรามเกวัตตมาโดยความเป็นทูตคนสองคนเท่านั้นนั่งปรึกษากันในห้องบันทมของพระเจ้าจุลณีแต่มีนางนกสาลิกาที่พระเจ้าปัญจลราชนั้นเลี้ยงไว้ใกล้ที่บันทมได้หยินว่านางนกสาลิกานั้นรู้ความลับนั้นเจ้าจงไปในที่นั้น ทำความคุ้นเคยประกอบด้วยเมถุนกับนางนกสาลิกานั้นถามความลับของพระเจ้าจุลณีและพระามเกวัตตะกับนางนกสาลิกานั้นโดยละเอียดจงถามนางนกสาลิกานั้นในสถานที่มิชิตอย่างที่ใครๆอื่นจะไม่รู้เรื่องนั้นก็ถ้าใครได้ยินเสียงของเจ้าชีวิตของเจ้าจะไม่มีฉะนั้นเจ้าจงถามค่อยๆในที่มิชิด ข่าว่านางนกนั้นรู้ความลับทุกอย่างของชนเหล่านั้นสาเนสังสับพังความว่านางนกสาลิกานั้นรู้ความลับทุกอย่างของชนทั้งสองเหล่านั้นคือพระเจ้าจุลณีและพราามเกวัตตะผู้โกศิยะโคดคาว่าเอออาโมความว่าดูก่อนภิษุทั้งหลายสุวะโพดกนั้น อันมโหสถบันดิตทำสักการะโดยในก่อนนั้นแหลส่งไปแล้วรับคำของมโหสถว่าเออไหว้พระมหาสัตว์ทำประทักษิณแล้วบินออกทางสีหบัญชรที่เปิดไว้ไปนครชื่ออริทธปุระในแคว้นสีผีด้วยความเร็วปานลมกำหนดประพฤติเหตุในประเทศนั้นแล้วไปสำนักของนางนกสาลิกาไปอย่างไร กสุวะโปรดกนั้นจับที่ยอดแหลมอันเป็นทองของพระราชนิเวศส่งเสียงอย่างไพเราะยั่วยวนรัคะเพราะเหตุไรเพราะว่านางนกสาลิกาได้ฟังเสียงนี้แล้วจักส่งเสียงตอบนกสุวะโปรดกก็จักไปหาด้วยสัญญาณ น, นั้นแม้นางนกสาลิกานั้นได้ฟังเสียงของสุวะโปรดกแล้วจับที่สุวรรณบรรชนใกล้ที่บรรทมของพระราชา ก็มีจิตกำหนัดด้วยราคะส่งเสียงรับสามครั้งสุวะโปดกบินไปหน่อยหนึ่งส่งเสียงบ่อยๆเกาะที่ธรณีสีหบัญชรโดยลำดับตามกระแสเสียงที่นางนกสาลิกากระทำตรวจดูว่าไม่มีอันตรายบินไปสำนักของนางนกสาลิกานั้นนางนกสาลิกาได้กล่าวกับสุวะโปดกในที่นั้นว่ามาเถอสหาย จงจับที่สุวรรณบัญชรสุวะโปดกก็บินไปจับคำว่าได้เรียกอามันตีความว่าสุวะโปดกนั้นบินไปอย่างนี้แล้วประสงค์จะทำความคุ้นเคยประกอบด้วยเมถุนจึงเรียกนางนกสาลิกานั้นคำว่ามีกรงงามสุขรังได้แก่กรงงามเพราะอยู่ในกรงทอง คำว่าในเพศเวสเสได้แก่ประกอบด้วยเพศคือมีชาติตามเพศได้ยินว่านกสาลิกาชื่อว่ามีชาติตามเพศในหมู่นกทั้งหลายเหตุนั้นจึงเรียกนกสาลิกานั้นอย่างนี้คำว่าของเธอตะวะความว่าเรากล่าวในเรือน ง, งามของเธอข้อว่า ข้าวตอกกับน้าพึ่งเธอได้ดอกหรือกัจจิเตมัทุนาราชาความว่าสุวะโปรดถามว่าเธอได้ข้าวตอกกับน้ำพึ่งดอกหรือข้อ ว, ว่าแนสหายท่านมาแต่ไหนกุโตนุสัมมะอาคัมมังความว่านางนกสาลิกาถามว่าแนสหายท่านมาจากไหน เข้าไปในที่นี้คำว่าหรือว่าใครกัตสะว่าความว่าหรือว่าใครส่งท่านมาในที่นี้